นโมนาซับกากวาโดอาราหะโดสัมมาสัมพุทธะนโมน a s a บกากวาโดอาราหะโดสัมมาสัมพุทธะ นามดัสสบกวาโดอาลาห์โดสัมมาสัมพุทธสสกจรุสุสวัสดีปันดายะโยมสาธุชนทุุธัสกาวันนี้ วันเสาร์ที่20สิบเดือนมีนาคมพุทธศักราชสองัห้าห้าสสากอพรุ่งนี้กระเบดวันทาบุญวันคลายวันเกิดของอดัมมา เขาหวังว่าคงมียายุมหลายท่านจะมาถึงตรงนี้ก็ทำ <c oughs> มาภาพก็เห็นนำใจศรัทธาของ ย, ยมทั้งหลายเพื่อเป็นการที่ตอบแทนตอบสนองจิตนาศรัทธาของ ย, ยมทั้งหลาย วันนี้ก็ได้แสดงธรรมอัดเป็นซีดีวิดีโอก็พรุ่งนี้ใครมาในงานทำบุญวันคล้ายวันเกิดก็จะได้แจกซีดีใบให้เป็นธรรมทาน ธรรมะที่จะแสดงในคืนนี้ก็คืออยากจะตั้งชื่อว่าอยากเกิดเป็นอะไรนายากเกิดเป็นอะไรก็ตามประสบการณ์แต่ละทัดตามความคิดความเห็น แต่และท่านก็มีความคิดเห็นแตกต่างกันมีความปรารถนาแตกต่างกันก็ายากเกิดเป็นอะไรถ้าจะทำยังยืนทั้งหลายทุกท่านก็ต้องมีคำตอบนะต้องมีคำตอบแน่นอนบางท่านก็ อยาก จ, จะเกิดเป็นมนุษย์ยายมีพ่อแม่ที่ดีพ่อแม่ที่ร่ำรวยยายมีหน้าตาที่สวยงามก็ได้บางท่านก็อาจจะอยากจะตายไปแล้วอยากไปเกิดที่สวรรค์เกิดเป็นเทวดานางฟ้าก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็คงไม่มีใคร อยาจะไปเกิดที่อบายภูมิส่วนใหญ่ส่วนใหญ่นะแต่ทีนี้เราจะบาราธนาอย่าให้เกิดที่นันทีนี้ก็ไม่ได้บินไปตามความบาราธนาของตนนาไม่มีใครอยากจะไปเกิดที่อบายภูมิเกิดเป็นสัตว์นรก แต่สัตว์นรกห ม, มากไม้ไม่มีใครอยากจะเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็มีสัตว์เดรัจฉานก็ ม, มากไม้ไม่มีใครอยากจะเกิดเป็นเปรตอสุรกายก็มีหมากมายก็แสดงว่าถึงแม้ว่าเราไม่ได้ปรารถนาให้ไปเกิดที่อบายภูมิ ก็ตามกรรมของตนที่ได้สร้างไว้กรรมที่ไม่ดีที่สร้างไว้ก็สามารถส่งผลให้เราไปเกิดที่อบายภูมิได้ก็บางท่านก็อาจจะไม่อยากเกิดก็ได้แต่ไม่อยากจะเกิดเฉยๆถ้าหากว่าเรายังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต ก็จำเป็นจะดำเกิดอยู่ก็แสดงว่าไม่ได้เป็นตามความปรารถนาของตนไม่อยากเกิดก็ดำเกิดนาตราบใดยังไม่บรรลุเป็นพระอรันต์ก็องเกิดก็ธรมาก็เห็นต่างท่านก็ครับแหลกเหมือนกันก็ดำความคิดเห็นของตนตามประสร ประสบการณ์ของตนมีอยู่โยมท่านหนึ่งเขาจะพูดอยู่เสมอว่าถ้าฉันจะตายไปฉันอยากจะเกิดเป็นสุนับที่อเมริกามาใช้ประเทศจีนนะแต่เกิดในสุนับประเทศจีนก็ได้เรื่องเหมือนกันเน อ, อ่เขาจะพูดเสมอ เพราะอะไรเขาเ ห, เห็นว่าสุนอเมริกา c นี้ <c oughs> งานก็ไม่ดองทันเจ้าของบ้านก็รักอาบน้าอาบถ่าให้ตัดผมให้ไปไหนมาไหนก็ลถอย่างดีอาหารอย่างดีทุกอย่างสะดวกสบายไม่ดังดูดไม่้องกลัว่าจะโดนโดนเลี้ยงออฟทุกอย่างนี่ สะดวกสบายก็ตามความคิดเองของท่านครับเออสุนทร America นะั้นสะดวกสบายยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์เองด้วยแต่ถ้าจะหลายใบยาจะเกิดเป็นสุนทรที่อเมริกาอย่างนี้ก็มีด้วยนิยมท่านหนึ่งส <c oughs> มาเคายถามนยมอยากเกิดเป็นอะไรฉาต่อต่อไปก็ว่าที่ฉันอยากเกิดเป็นนอก อ, อยากเกิดเป็นนก เขาอิสระดีแต่เขาไม่รู้ว่าโนมันก็มีศัตรูมากมายเหมือนกันนะบ้านช่องก็ไม่มีประจาที่ใช่ไหม อ, อ, อาหารการกินก็ต้องหาทุกวันทุกวันนั่นแหละนะฝนจะตกแดดจะจัดก็เาก็ต้องไปหาไม่หาเขาไม่ได้แต่เขาก็คิดว่าเกิดเป็นโกมอิสระดียะไปไหนก็บินไปเลย เขาก็ค so mm ิดเพียงแค่นั้นก็เขามาอยากจะเกิดเป็นนกอาตมาเคยฟังซีดีอยู่ตลับหนึ่งจะเป็นโยมท่านหนึ่งในบรรยายธรรมที่เมืองไทยก็มีพระสงฆ์เข้าไปฟังกันอาตมาคิดว่าพระสงฆ์ต่างท่านที่ไปฟังนั้นอาจจะเป็นพระบทใหม่ๆก็ได้นะ ฟังจากคําพูดของท่านพระองค์นั้นบอกว่าอาตมาอยากจะเกิดเป็นก้อนเห็นจะเป็นไปได้ไหมอยากจะเกิดเป็นก้อนเห็นแต่ถ้าเป็นพระมีการศึกษาอาตมาคิดว่าเขาคงไม่ปรารถนาเกิดเป็นก้อนเห็นอาจจะเป็นพระบทใหม่ๆก็ได้มาเอออยากจะเป็นก้อนเห็นเป็นไปได้ไหมเป็นไปไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้ ก็หนาหนาจิตดังใช่ไหมก็ดังในพุทบัญมัตกี่นี้แหละ <c oughs> ไม่นจะอยากเกิดที่ไหนไมันจะเกิดได้ก็ไม่ใช่อย่างนั้นก็แล้วแต่กรรมที่เราสร้างไว้ทีนี้อาตมาก็เคยแนะนำสั่งสอนอย่ิยมทังห่ า, ายเสมอว่า ตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะเกิดอยู่ในสามสิเอภูมินี้จะไปเกิดที่ภพไหนภูมิไหนก็ตามก็ยังเป็นทุกข์อยู่มาขับน้อยยังเป็นทุกข์อยู่เพราะฉะนั้นไม่ควรจะปรารถนาว่าจะไปเกิดอยากจะไปเกิดเป็นนั้นเป็นนี้อยากไปเกิดที่นั่นที่นี้ก็ ตายไปล้วก็ไม่ต้องเกิดจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่เรากำลังพยายามสร้างคุณงามความดีเท่าที่เราสามารถจะสร้างได้ถ้าหากว่าจะต้องเกิดกต่อไปก็ไม่ขอก็ดามไม่ปรารถนาก็ดามดามอานุถ้าบุญกุศลของเราที่เราสร้างไว้ จะไปเกิดที่มนุษย์หรือที่สวรรค์ก็แน่นอนแต่บางท่านก็ปรารถนาอยากจะ <c oughs> เกิดที่พ่อแม่ที่ร่ารวยที่ใจดีอันนี้เป็นต้นแล้วถ้าเราไม่เคยทำบุญทำทานจะไปเกิดที่พ่อแม่ที่ร่ารวยดีที่ไหนเป็นไปไม่ได้น่ะเป็นไปไม่ได้ ผู้ที่เคยทำบุญทำทานชอบทำบุญทำทานโดยอานุภาพบุญกุศลที่เคยทำบุญทำทานนี่แหละไม่ป ร, รารถนาก็ดามป ร, รารถนาก็ดามก็ยอมได้ไปเกิดที่พ่อแม่ที่ ร, ำร่ำรวยแน่นอนก็ถ้าว่าเรามีสินธรรมที่บริสุทธิ์จะไปเกิดที่ไหนก็ไปยอมไปเกิดที่สุคติภูมิมนุษย์และสวรรค์ ถึงแน่นอนแต่ถ้าเรามีแต่ทานสินทมของเราไม่บริสุทธิ์ชอบข่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละถ้าไม่มีสินห้าที่บริสุทธิ์จะไปเกิดในสุคติภูมิไม่ได้ต้องไปเกิดที่ทุคติภูมิอภายภูมิอยู่กับการกระทมของเราปัญญาเราก็ต้องมีทั้งฐาน มีทั้งศีลธรรมที่บริสุทธิ์ถ้ามีฐานที่สมบูรณ์ศีลธรรมที่สมบูรณ์บริสุทธิ์ถ้าตายจากโลกนี้ไปก็ย่อมไปเกิดที่มนุษย์สวรรค์แน่นอนนอนแน่นอนเลยแต่ถ้าว่าเร า, าบฏิบัติธรรมจรูนุษยสมถะ ภ, ภาวนา เพ่กษินอย่างนี้เป็นต้นนั่นแหละจิตใจขเขางของเราก็สงบโจนได้บรรลุฌานถ้าได้บรรลุฌานหมผู้ที่บรรลุฌานถ้าฌานของตนไม่เสริมนะตายด้วยโดยมีฌานอย่างสมบูรณ์อยู่ผู้นั้นจะไปเกิดที่ไหนไปเกิดที่พรหมโลกนะ่ะพรหมโลก สูงกว่าสวรรค์สิโดยทุ ก, ท, ก <c oughs> ท่า น, นผู้ที่จะเป็นคาราวะกระดามจะเป็นนักบวชกระดามผู้ที่บรรลุฌานก็ย่อไปเกิดที่พระมรลกเป็นพระพรหมพระพรหมไม่ใช่เฉพาะมีแต่องค์เด ว, เดวพระพรหมนี่มีเป็นยี่สิบภูมิตามกำลังฌานของเราที่เราได้เราก็ไปเกิดที่ พบผมเราน้นไปก็อันนี้ก็เรื่องผู้ใดบันุฌานาก็แสดงว่าไม่อยู่กับการปรารถนาของตนอยู่กับการกระทมของตนอยู่กับทานสินภาวนาของตนโซนี่ไอ้ก็ ก็ทำบุญทำทานกันมาน่ะตลอดก็สินธถามก็มีถ้าสมบุรณ์านกับสินสองบราระการนี้สวรรค์ถึงแน่นอนนะสวรรค์ถึงแน่นอนเมื่อถึงสวรรค์ไป <c oughs> ทีนี้สวรรค์กับ มนุษย์สภูมิโลกมนุษย์เรานี่แตกต่างกันอย่างไรนะอยากให้เข้าใจตามพระธรรมคำพิทีแสดงไว้ที่สวรรค์เรื่องเข้าปลาอาหารไม่เหมือนมนุษย์เรา ด, ดูอนุภาพฐานศีลของท่านนี่แหละเกิดที่สวรรค์ก็ก็ฐานอาหารทิพย์ อย่านะานอาหารทิพย์ไม่ต้องไม่ต้องไปทํางานไม่ต้องไปจ่ายตลาดไม่ต้องไปกลับมาหุงต้มไม่ต้องเดมอะไรทั้งสิ้นนะอาหารทิพย์ทานได้เลยนะอย่ให้รู้ความแตกต่างมนุษย์กับสวรรค์ต่างกันอย่างไรเรื่องเขาละอาหารก็ที่นุษก็ฐานอาหารทิพย์กัน ก็เริ่มที่อยู่ที่อาศัยไม่ต้องสร้างบ้านไม่ต้องซื้อบ้านไม่ต้องเช่าบ้านอยู่เขามีวิมานโดยอำนาจบุญกุศลที่เคยสร้างไว้เขามีวิมานอย่างสมบูรณ์ไม่ต้องจ่ายมอร์เกชไม่ต้องจ่ายอนะินชูเรนไม่ต้องจ้างคนมาชิดยานะ อะไรต่ออะไรสะดกสบายหลานสะดกสบายมากไม่ต้องมีประกันภัยเรื่องหนุง่งหฮมเขาก็มีชุดของเขามีรัศมีด้วยบัดดาดดาด้วยเพชรพอยจินดาไม่เหมือนมนุษย์เราไม่จําเป็นจะต้องเย็บไม่ต้องจำเป็นจะต้องซักไม่ต้องจําเป็นจะต้อ ง, งรีด นะไม่ดังมีอารรีรุมแล้วนะสบายมากแตกต่างกับมนุษย์เราเรื่องยารักษาโรคยังไงแบบผู้เีเกิเป็นเทวดา น, นางฟ้าทั้งหลายเขาไม่มีความเจ็บป่วยเหมือนมนุษย์เราไม่ต้องกินยานะอานุภาบุญกุศลของเขานี่ไปเกิดเป็นเทวดา น, นางฟ้า ไม่จำเป็นด้องกินยาไม่ด้องจำเป็นต้องไปหาหมอหนชีวิตของเขาถ้านางฟ้าก็อายุบารมาณสิบหปีถ้าทวดาก็อายุบารมาณยี่ส <c oughs> <c oughs> ิบปีก็อยู่อย่างนั้นไปเรื่อยๆนั่นแหละถ้าแสดงว่าเรื่องที่อยู่ที่อาศัยเรื่องข้าบปลาหารดึรงหนุนโหมเรื่องอย่ารักษาโรค เทวดาคับมนุษย์เรามาแตกต่างกันมากนะแตกต่างกันมาก <c oughs> แล้วก็เรื่องอายุป็นไงบ้างเรื่องอายุอายุของเขานี่ยืนยาวหรือเกินยาวเท่าไหร่รู้ไหมเขามีชีวิตที่กำหนดไวแนน 99. 99นะ้แน่นอนเก9 9เกจุเกนะแน่นอนเช่นว่าสวรรค์ ชันที่หนึ่งนะสวรรค์ชันที่หนึ่งสวรรค์มันมีหกชั้นสวรรค์ชันที่หนึ่งมีอายุใครเก้าล้านปีเก้าล้านปีถ้าสวรรค์ชันที่สองก็เอาสี่คูณไปจะเท่าไหร่สี่คูณเก้าสามสิบหกล้านบี ศ า, าสวรร์ชันที่3เอาสีขูนใบขูนใบลื่อๆใบทสวรร์ชันที่6กเดเท่าไรารู้ไหมอายุไขของเขานี้เก1 6ล้านคิดดูนะผู้ที่เกิดสวรร์ชันที่หนี้อายุไขของเขานี้ ไม่ใช่หนึ่งแสนไม่ใช่หนึ่งล้านนะไม่ใช่ร้อยล้านพันล้านนั่นแหละเนาะเก้าพันสองร้อยสิบหกล้านปีอยู่จนเบอร์นั่นแหละอายุไม่เหมือนอายุขายเขามนุษย์เรา <c oughs> ก็อยู่ก็มีชีวิตที่มั่นฐาน ก็จะมีอยู่ว่าทีว่าเก9เกุเกเอเ็ก็คือมันอย่างพระประเจ้าของเรากบระบาดอยู่ที่สวรรค์ชั้นที่4ถ้าจะอยู่จนหมด อ, อายุขยก็นานแต่ว่ากระทึกเวลาทเทวดาพระพรมทั้งหลายก็ไปขอร้องพระประเจ้าให้ใบเกิดเทมนุษย์ ให้โปรดสับสัตว์ทางหลายทางคตกําหนดจิตใจตัวเองน le, ั้นแหละก็ตายจากนั้นไปเข้ามาเกิดเป็นมนุษย์อันนี้กรณีพิเศษไม่ดังคอยถึงจนอายุไขหมดยังไม่ถึงอายุไขย่ยังไม่หมดก็กําหนดจิตใจก็ก็หลายได้อันนี้สําหรับพระโพธิสัตว์นะพระบุญเจ้าของเรา <c oughs> สําหรับคนธรมธรมดาธรรมดา ถ้าว่าสนุกสนานสนุกสนานเกินไปเทวดา น, นางฟ้าสนุกสนานเกินไปถึงเวลาจะดังทานอาหารเทปก็ลืมถ้าลืมทานอาหารเทปไปไม่ได้แล้วเขาก็ต้องตายนะก็มีเทวดา น, นางฟ้าบางท่านเนี่ย <c oughs> สนุกเหลือเกิน สนุกสนานกันไปดืมฐานอาหารก็ตาย ก, ก็เป็นตายด้วยอัเนั่นแหละอายุขัยยังไม่หมดแต่เขาดื่มฐานอาหารก็ลองตาย <c oughs> าก็กลายของเขาอยู่ไม่ได้แล้วลตาย <c oughs> อีกบราการหนึ่งถ้าหากว่าเรามองเห็นเทวดา น, นางฟ้าอื่นๆครับ มีวิมานใหญ่โตมีรัสมีเก่งกว่าเรามีบริวารมากกว่าเกิดความอิจฉาถ้าเกิดความอิจฉาเกิดความโมโหขึ้นมาโมโหขึ้นเมื่อไหร่ก็กายทิพเนยอยู่ไม่ได้แล้วตายทันทีนสำหรับความรู้นะเทวดา น, นางฟ้า น, นี้ถ้าลืมทานอาหารถึงเวลาทานอาหารถ้าไม่ทานอาหารทิพย์ ก็ตายไ ด, ได้ถ้าเกิดความมิจฉาเกิดความโมหหขึ้นมา mm. ก็ตายได้เนอกจากสองกรณีนี mm. ้เขาจะอยู่จนถึงอายุไข่หมดจึงจะตายในสำหรับความรู้นะ mm. ก็เช่นว่ามนุษย์เราห้าสิบป mm. ีก็เท่ากับสวรรค์ชั้นที่หนึ่งวันเดียว 24ชั่วโมงนะมนุษย์เรา100ปีก็เท่ากับสวรรค์ชั้นที่สองดาวดึงหึวันนะขึ้นไปเรื่อยๆนะันะ่หนะมนุษย์มนุษย์เรา200ปีก็เท่ากับสวรรค์ชั้นที่สามวันานะกับมนุษย์เราสีปี ก็เท่ากับสวรรค์ชั้นที่สภูมิทุกเซนะ่นนั่นแหละหนึ่งวันหนามานุเราแป0ลอปีเท่ากับสวรรค์ชั้นที่ห้าวันเดียว น, นุมานุเราหนึ่รนะ้ 1, อยปีจําไว้นะ 1,600 งปีเท่ากับสวรรค์ชั้นที่หกหนึ่งวัน อันนี้สำหรับความรู้ตอนเมื่อพระพุทธองค์ของเราภรรษาที่เจ็ดกับปรดมานดาที่ดาวดึงสวรรค์ชั้นที่สองส า, สามเดินใช่ไหมสามเดินสามโดยฉะนับเป็นเวลาของสวรรค์ก็ไม่เท่าไรแล้วสำหรับความรู้อีกอย่างหนึ่งอันนี้ไม่ได้มาจากคำพีนะอาตมา เอาข้อมูลจากคมปีอัตมากรุปคุณหานออกมาก็ได้เดือนหนึ่งนี่สำหรับสหรับสวรรค์ชั้นที่2ดาววดึงนะชั้นดาวดึงชั้นที่2มนุษย์เราหนึ่งเดือนนี้เท่ากับเขา1 น, นาที12วินาทีเนาะ1 น, นาที12วินาทีคิดดูดาวดึงนะมนุษย์เราร้อยปี ก็เท่ากับเขาดาวดึดถึงหนึ่งวันจะ่ไหมอันนี้ก็คือก็มีหลักฐานในพระธรรมคำบีนแสดงไว้ในธรรมบทที่มียุมท่านหนึ่งก็เป็นนางฟ้านั่นแหละ ยังฟ้าสนุกสนานเก็ส่วนใหญ่ก็เข้าไปดิดเดาไม้ทำพรหมลายเข้าไปเสิร์ฟเทวดาก็ถึงเวลาก็ตายใบเวลาตายใไปตัวเธอเมืองมนุษย์เราเวลาเกิดเป็นเมืองมนุษย์เรา เขาจะจำชาตได้จำจำชาติตัวเองได้ชาติก่อนนี่เขาเป็นนางขวาเทวดาที่นุ่งก็ชื่อมาลาภารีเขาค้นึกถึงเทวดานั้นเสมออยากจะไปเกิดที่สวรรค์อีกต่อไปเมื่อยากไปเกิดสวรรค์ต่อไปแล ท, น, ท, ทนก็พยายามทําบุญ พยายามทำบุญทำทานรักษาศีลรมไปวัดไปวาช่วยวัดว า, ารามพระสงฆ์ตองการอะไรขอบลาอาหารป่าตะไรจีวร น, น้ำบาณนะอันนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วก็ไปถวายุเกือบทุกวันพอท่านระลึกชาติได้ท่านก็บอกตรงๆมาฉันอยากจะไปเกิดที่สวรรค์อยากจะไปพบ เ, เพื่อนฟูง มาชาติก่อนก็ทำบุญทำทานรักษาศีลทมไป <c oughs> อยู่ไปอย่างนั้นเรื่อยๆไปอายุสิบหกปีก็แต่งงานแต่งงานก็มีลูกถึงสี่คนนะมีลูกถึงสี่คนที่สามีแล้วคนก็อายุยี่สิบนั่นยี่สิบตายตายไปไปเกิดที่ไหนรู้ไหมพ <c oughs> ระสงฆ์ก็คิดถึงเออโยมนี้ ก่อใจบุญพอการันตื้ชาตใดทําบุญทำทานรักษาสินทำเสมอทําอะไรก็นึกถึงเทวดาสามีของตอนนะชาติบางกอพระสุภเลตั้งชื่อเลยแบบปฏิบูชีกาปฏิก็คือสามีบูชีกาเขาก็บูชาผู้ที่บูชาสามีก็คือจะทําบุญทําทานรักษาสินทำจะทําคุณงามความดีอะไรก็ ปรารถนาย้ายไปพบสามีเก่าเทวดาที่อยู่ในสวรรค์แต่พระสูงดังชื่อปฏิบูชิกาตายไปพระสูงก็คิดถึงออโยมก็เสียชีวิตไปแล้วเขาก็มีเมตตาเขาก็รับท่านเหมือนแม่นั่นแหละพระประชาก็บอกพระสูงว่าเออตอนนี้ท่านไปเกิดที่สวรรค์ไปแล้วเวลาไปเกิดในสวรรค์ เทวดาก็เพื่อนฝูงทั้งหลายก็พูดอย่างไรรู้ไหมเขาว่าเออเธอเมื่อกี้นี้หายไปแป๊บนึงไปที่ไหนเขาหายไปแป๊บนึงหายไปแป๊บนึงเขาว่าไหวไม่ใช่แป๊บนึงเขาตายใบเขาไปเกิดเป็นมนุษย์เขาก็ไปแต่งงานก็มีลูกสีคนแต่เขาก็อยากจะกลับมาที่สวรรค์เขาก็ทําบุญทำนารักษาศีลทมตอนนี้เขาก็ตายจากมนุษย์ ก็นำมาเกิดเป็นนางฟ้าต่อไปก็คิดดูกันแล้วกันมนุษย์เราลอยบีเท่ากับดาวดึงสวรรค์ชั้นที่หนึ่งหนึ่งวันหนึ่งวันถ้าคือดาวดึงหนึ่งบีก็เท่ากับมนุษย์มนุษย์เราลอยบีเท่ากับดาวดึง2ีสิบชั่วโมงก็แล้วกันจำไงาง่ายยี่สี่ชั่วโมงถ้ามนุษย์เราห้สิบปีก็กี่ชั่วโมง 12ชั่วโมงถ้า25ปี6ชั่วโมงถ้า20ปีเท่าไรก็ประมาณ4ชั่วโมง4ช่วโมง4ชัาโมง4ชั่วโมง4ชั่วโมง4ชั่วโมงก็แสดง่ว่าถ้าจะหายโมง4ช่วโมง4ชั่วโมง4ชั่วโมง4 0ั่วโมง4มง4ชั่วโมง4ชั่วโมง4ั่นโมง4ชั่นงั่วโมง4่วว่ เธ อ, อ, อหายไปแบบหแบบึ่นมือกิ้ไปไหนเขากำลังสนุกสนานยังไม่จบเลยใช่ไหมออก็แสดงว่ามนุษย์เราเนี่ยอายุขยมนุษย์เรานี่สั้นเหคือนาทาเทวดาก็มองดูแบบเดียวเองนแบบเดียวเองออันนี้คืออยากให้เข้าใจว่าความแบบตกต่างมนุษย์กับสวรรค์แบบตกต่างกันอย่างไร ก็อายุใครก็ตามสูตรก็เก้าล้านบีดาวดึงสามสบล้านบีขึ้นใบขึ้นใบลื่นใบที่นู้นก็เป็นอานิสงผลประโยชน์ที่ได้สร้างคุณงามความดีที่เมืองมนุษย์เนี่ยก็ไปสวยความสุขเฉยๆนเข้าไปสวยความสุขเฉยๆเขาไม่มีโอกาสจะสร้างบุญบารามีให้ เริน ย, ยิ่งขึ้นไปเหมือนมนุษย์เราเพราะอะไรวัดก็ไม่มีพระสงฆ์ก็ไม่มีจะแม้ที่นู่นก็ไม่มีแล้วจะมีอยู่ก็ว่าสุธรรมสภาก็เป็นศาลาใหญ่แล้วเนี่ยทุกๆวันพระก็เทวดานางฟ้าผู้ดีเฉาะฟัง ทำก็จะใยกันที่นั้นทุกๆวันพระนะแต่ถ้าธรรมดาธรรมดาก็ไม่ไปแล้วคิ ด, ดูกันแล้วกันเหมือนอย่างภูริมาลาสวกาสนิทวีเควชนอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เขาไม่ได้ใยวัดแล้วเดินเดินเดินหนึ่งเท่าไหร่ดูไหม ลาสุกัสติเมืองที่เราอยู่นี้เดินหนึ่งนี้บางครับสามแสนถึงสี่แสนคนกระมา ถ, ถึงลาสุกัสีิมีจะกี่ท่านจะใบวัดคิดดูกาแล้วกันนะหมดเวลาก็กลับบ้านก็พูทเป็นเทวดานั่งฟ้ามิเดฐานสินสองบรารการ ไม่มีการภาวานาติโตไปด้วยครับเ ข, เขคืนใบสวยความสุขสนุกสนานหมดเวลาก็กลับบาสเขาไม่ได้ไปฟังเทศิศฟังธรรมะนะเขาไม่ได้ไปฝังเทศิศฟังธรรมะอยากจะทำบุญตับบาสจะมีโอกาสไหมไม่มีแล้วบางครั้งแมนะ้แต่เทวดาทั้งหลายพระอินเองก็ยังแปลงกายให้เป็นเหมือน ม, มนุษย์เหมือนคนหยาโจรเหมือนคนแก่ โด่มาที่เมืองมนุษย์เรานี้ดักบาตรแม้จอยากดักบาตก็ต้องแอบแไปดับบาตยังไงเพราะเราต้องแอบแบดักบาตรหรือเปล่าไม่ต้องนะดับอย่างสบายเลยนะพระสงฆ์ก็มีวัดว า, ารามก็มีอยากจะไปถือศีลแปดก็ไดาษที่หนูจะมีโอกาสถือศีลแปดไหมไม่มีทางแล้ะ ม, มีทางแล้วเพราะอะไรก็สนุกสนานหนาะสนุกสนานก็เทวดาท่านหนึ่งนางฟ้าม่เป็นผ่านผ่าคิดดูก็แล้วกันคิดดูก็แล้วกันทีนี้อยาให้เข้าใจว่าทำไมที่สวรรค์นี้นางฟ้ายมมาว่าเทวดาเพราะอะไร ในพระธรรมคัมภีร์แสดงไว้ดวโดยตรงมีอยู่สามข้อนายายจดจําไว้สงสัยไหมทําไมมีเทวดาท่านหนึ่งมีนางฟ้าเป็นพันๆบริวาร น, นางฟ้ามิเป็นพันๆทําไมจึงเป็นอย่างนั้นอันนี้ยายท่านทั้งหลายจดจําไว้ที่มาจากพระธรรมคัมภีร์เพราะอะไรวะมีสามประเด็นประเด็นที่หนึ่งก็คือ โยมสุภสัตริทั้งหลายเหล่านี้ถ้าจับเลียบเท่ากับสุภาพบุรุษเขายอมมีศรัทธาจิตใจที่ดีงามนะมีศรัทธามีความลืมใสสศรัทธาในบุญกุณพระพทธพระธรรมพระสงฆ์กบิดามานาคูบาอาจารย์ผู้ล่ผู้ใหญ่พี่บาณาอานี่เขามีความศรัทธาลืมใส่ ในภาษาบริวาราศนานั้นมีความลืมใส่จะไปที่ไหนอย่าคิดดูไปแล้วกันตั้งแต่เราเป็นเด็กจนถึงวันนี้จะไปวัดไปว่าก็มีแต่โยมภาษาถุกทั้งหลายะไปบ้านเ็มเมืองไปจะไปศูนย์ปฏิบัติธรรมก็มากหมายทีเดียวนั่นแหละเขาไปโยงกัมาวัดกระทุกกืบทุ ก, กวันนี้ เทวดามีสักกี่คนมั น, นี่มีสักกี่คนไม่มีสักคนหนึ่งเลยก็ ด, ดูกันแล้วกันนะ้ไม่มีสักคนหนึ่งเลยเ อ, อ, อันนี้ก่อที่ไหนก็ตามไม่ใช่เฉพาะอเมริกาบ้านเราเมืองเราก็เช่นเดียวกันใช้สมบุญทําฐานที่ไหนไม่มีแต่โยมสัสตติทั้งหลายนั่นแหละมีศรัทธามีความลืมใ ส, ะสะ่ศรัทธาในบุญคุณพระพุพะพะทธธรรมพระสงฆ์ านะให้ความเคารพนับถืออนนอ้อมทำตัวแก่ผู้หลักผู้ใหญ่อันนี้แหละเป็นเหตุบัรจัยหนึ่งทำให้เกิดหนึ่งนางฟ้านะราคารที่สองภาพระสรัพเหามุทุทางกิริยามารยาทางจิตใจสุขุมนะสุภัสสทังหลายมีจิตใจที่สุขุมการเดินการ พูดการจะดันนิสัยใจคอสุขมุมไม่เหมือนผู้ชายแล้วถ้าพิจิตรุนนิ่หน่อยก็เขว่าเฮ้เหมือนผู้ชายเลยใช่ไหมกิมริยามารยาทอันนี้ใส่ใจคอถ้าแข็งนิ่หน่อยก็คือว่าเหมือนผู้ชายผู้ว่าจิตใจโยมสุภสัติทั้งหลายนี้สุขมุมจะมีสุภสัตติจะไหนให้ไปฆ่าไก่ฆ่ามู จะกล้าไ ม, ไม่กล้าแล้วถ้าผู้ชายนี่ส่วนใหญ่ก็พร้อมจะทำใช่ไหมจิตใจนี่ อ, อ่ อ, อนน้อมถ่อมตัวนะจิตใจนี่สุขุมทั้งกายแล้วทั้งกายและจิตใจอันนี้ก็เป็นเหตุบัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดเป็นเทวานางฟ้าแล้วก็ข้อที่สามเวลาจะไปถวายอย่างใดอย่างหนึ่งแก่พระสงฆ์เขาชอบ ถวายด้วยมือตัวเองนะประโยชน์เยอะยัดจะเป็นสังฆทายัดจำเก็อาหารยัดจะเป็นดอกไม้ยัดจำเก็ของช้แตราบะบะเบกนด้วยตนเองบะเบด้วยมือตัวเองผู้ชายเป็นไงครับผู้ชายส่วนใหญ่ก็ธรรมะยังมีประสบการณ์อยู่บ้านเรา นาที่พระมหากษัตรเอาไปในบ้านก็ภาคเหนือก็เหมือนเหมือนเหมือนเมืองไทยเราเนะถ้าผักใต้อย่างกุ้งนี้สะดวกสบายไม่ต้องเดินไปไหนแล้วก็อุ้มบาตรของเราเข้าไปในบ้านในบ้านก็สักสิบบานสิบห้าบานก็แล้วแต่เข้าไปในบ้านก็นั่งเขาวิทย์เฉยเอาบาทวางบนโต๊ะไว้โยมก็ะสายเข้าบลาอาหารเรียบร้อยก็เขียนเขียนเสียเราก็ไปอีกบานหนึ่ง สิบาทสิบห้าบาทเขาเต็มบาทแล้วกับสดะดวกสบายแต่ผู้ชายก็ทำอย่างไรผู้ชายเขก็อยู่นั่งบนเก้าอี้อ่านหนังสือผิวเวลาพระมาเขา้ายเอ๊ะพระมาแล้วนะนั้นต้องมาใส่บาทรถ้าเขาอยู่กลางๆเราห่างกันสองไอสองศอกเขาไม่เขไม่ตักบาตแล้วเขาไม่ประเคนแล้วเห็นไหมเ อ, ยมยเอโยก็ก็ การีเอาเบาดดับบาเสกบะเคนผู้ใช้เขาไม่สนส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นก็การที่เรามีสิ่งของที่จะดำถวายถวายด้วยมือตัวเองนี้อันนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยหนึ่งที่ทำให้สวรรค์นี้มีนางฟ้ามากมายจำได้ใช่ไหมข้อหนึ่งพอมีลืมสายในพระรัตนตรยัย นามีสัทธาแกกล้าศาสนาข้องเราอยู่ได้คิดถึกันแล้วกันส่วนใหญ่นาส่วนใหญ่ก็ะจะสร้างวัด ส, สาร้างศาลาสร้างอะไรก็แล้วแต่มาจะโยมสุภัสตรีทั้งหลายเป็นผู้นําเห็นหรือเปล่าในช่ยผู้จ่ายเป็นผู้นํำนะส่วนใหญ่ก็สุภัสตรีทั้งหลายและนํำทาบุญทํา ท, ทานกันจะมารักษาเสียงถามก็ ก็เบนยุมสุภสัตทังหลายนะปีหนึ่งอาจจะมีสักคงไม่เกินสิบท่านที่มาถึงสิน้นหนึ่งปีหนึ่งปีนะส่วนใหญก็สุภสัตติทั้งหลายก็ก่อนนี้ใส่ใจคอก็สุขุมนะถวายเสียงของด้วยมือตัวเองพอเฮ็ดสามบาการนี้ทำไมทิสวานนี้ให้นางฟ้ามากมย จะไม่ต้องสงสัย น, นี่มาจากพระทกรรัมพีเข้าใจใช่ไหมอันนี้ความแดบต่างมนุษย์กับสวรรค์ต่างกันอย่างไรแล้วก็ทำไมที่สวรรค์ น, นี้นางฟ้าจงมากว่าเทวดาเพราะอะไรไอ้ทีนี้บางท่านก็เอาเปรียบสุภศรีก็มีเหมือนกันนั่นแหละ ก็ทํข้าวปลาไปจ่ายตลาดก็หุงเข้าวทาอาหารเรียบร้อยเตรียมอย่างดีอย่างสวยงามบนโต๊ะ <c oughs> <c oughs> บางบางครั้งผู้ชายก็มาก่อนแล้วผู้หญิงผู้หญิงถอยหลังถอยหลังถอยหลังน <c oughs> <c oughs> ะก็จบกเขนอย่างนั้นก็มีด้วยบางครั้งบางคราวนะแต่ไม่ได้ทําไม่ได้จัดเตรียมอะไรทั้งสิน้นอยงนั้นก็มีจริงๆครับเ้องถวายด้วยมือตัวเองนี้เป็นมาบุญมากุศล อันนี้สำหรับความรู้ประการหนึ่งในทีนี้ผู้หีืใบเกิดในสวรรค์ใบเกิดในสวรรค์ใบถ้าถึงเวลาก่อนจะตายก็เขารู้ตัวเองว่าเขาจะตายแล้วก็เพื่นฝูงทั้งหลายก็รู้ว่าเออทเทวดาคนนี้นางฟ้านี้จะตายแล้ว ี่เขารุ้งล่วงหน้าว่าเขาจะตายก็ดูอะไรรู้ไหมที่จะมีอาการห้าประการปรากฏอาการห้าประการจะปรากฏก่อนเขาจะตายเขาจะรู้ตัวเองด้วยคนอื่นก็สามารถรู้ได้ด้วยประการที่หนึ่งก็คือเขาก็ชอบบดบดบดาตัวเอง บ, บด บ, บดดากายตัวเองแบบดีศีสะ ที่ผมตัวเองแ่บก็มีดอกไม้ดอกไม้ที่บดับดาตัวเองนี้ถ้าก่อนจะดายนี้จะมีอาการไม่เหมือนเดิมแล้วไม่สดใสเหมือนเดิมแล้วจะมีอาการกระวะ่าอับเฉาหิว โ, โลงนะดอกไม้ที่บดับดาอับเฉาหิว โ, โลงประการที่สองประการที่สอง ซสื้อผ้าที่เขาใส่ที่ประดับโดยเพชรพลอราจนดาตอนนี้เกิดอาการมวนมองขึ้นมาไม่มีรัศมีนะประการที่สามกระดูหน้าตาเมือนี้ยไม่เคยสวยงามเหมือนเดิมหน้าตาไม่สวยงามเหมือนเดิม แล้วก็บรรการที่4จะมีเหือจะไหลออกมาจากหลักแลของเขาเนาะบรตรการที่ห้าที่เขาอยู่สวรรค์แต่ก่อนก็สนุกมากตอนนี้รู้สึกว่าถ้าก่อนจะดายนะไม่เคยสนุกไม่เป็นที่พอใจไม่เคยจะสนุกที่จะเกิดเป็นเทวดานางฟ้าที่อยู่สวรรค์ เกิดความไม่สนุกเบื่อขึ้นมาถ้าอาการห้าบปราการนี้ปรากฏร้วตัวเองเนี่ยไม่นานนี้จะดับไปแล้วจะหมดอายุไขแล้วแต่คนอื่นก็รู้ว่าเออคนนี้เห็นดอกไหมก็หยวลงใช่ไหมดูเสื้อผาที่เขาใสก่ก็ไม่มีลัสมีแล้วอนมองแล้วดูหน้าตาไม่ก็มเป็นสวยงามเหมือนเดิมมันจะเศร้าๆนี่หน่อยแล้ว หน้าตาไม่เคยไม่เคยสวยเหมือนเดิมดูเหงือก็ไหลออกมาจากแล้วแล้วลไหลขเขาดูอาการกขาพอจะรู้ได้ดูหน้าตาก็รู้ว่าเขาไม่เคยจะสนุกแล้วเหมือนเดิมสแสดงว่าคุณจะดอบไปแล้วเมื่อรู้ว่าคนนจะตดับไปเพื่อนฝูงทั้งหลายก็อยู่ด้วยกันเป็นหลานๆบีคิดดูกันแล้วกันใช่ไหมอยู่ด้วยกันเป็นเวลานานถ้าคนนีจะจับใบเขาก็ฝา ก็สั่งแล้วเธอถ้าเธอตายใบหนะให้เธอไปเกิดที่ภพดีภูมิดีเถอะให้ไปเกิดที่ภพดีภูมิดีสั่งให้ผู้นะ้ให้ไปเกิดที่ภูมิดีขอที่หนึ่งนะให้ไปเกิดที่ภพดีภูมิดีแล้วก็ขอที่สองก็บอกว่าถ้าไปเกิดที่ภพดีภูมิดีไปแล้วก็พยายาม เอาให้ได้ลาที่ดีสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐแล้วก็ข้อที่สาก็าพยายามรักษาลาบที่ดีสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐนั้นให้ตั้งมันถาว น, น์เขาจะสั่งพื้นกังเขาพูดจะได้สามข้อจำได้ใช่ไหมสามข้อ ให้ไปเกิดพบดีภูมิดีก็ให้ใบเอาให้ได้แพ้เกิดไปแล้วให้ได้ลาภที่ดีสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐแล้วก็ข้อที่สามพยายามรักษาลาภที่ดีสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐนั้นไว้ให้มั่นคงถาวรให้ไปเกิดพบดีภูมิดีก็คือที่ไหนรู้ไหมให้ไปเกิดที่มนุษย์สภูมินี่เขาให้ไปว่า ไปเกิดที่ไหนไปเกิดที่ภูบมนุษย์สภูมิให้ไปเกิดเป็นมนุษย์เอเมอเทวดานะพวกเราเป็นไงบ้างกับบางอย่างก็ผู้ที่อยู่เมืองไทยเป็นไงบ้างอยากจะมาอเมริกาใช่ไหมอยากจะไปอลอนดอนเนี่ยไปอยู่ยอร์มานฝรั่งเศสออสเตรเลียอย่างนี้เป็นต้นแต่ผู้ที่อยู่อเมริกาเป็นไงบ้าง วายอยากจะไปเกษียณอยากจะไปอยู่เมืองไทยนะผู้ที่อยู่เมืองไทยคิดว่าอเมริกาดีกว่าผู้ที่อยู่อเมริกาคิดว่าเมืองไทยน่ยดีกว่าอะไรที่ไหนดีกันแนะ่กนะ็ธรรมดาใช่ไหมพวกเราทั้งหลายเวลาโดยเฉพาะมาเขีนอาหารพระดานแก่พระสงฆ์ประเขียนสังฆทานก็ เดีจะไปเจอกันสวรรค์ไปสวรรค์ด้วยกันเราอยากจะไปสวรรค์กันเทวดานางฟ้าเขา อ, อ, อยากให้เกิดย้ายเพื่อนไปเกิดเป็นมนุษย์ใช่ไหมเกิดเป็นมนุษย์เพราะอะไรให้ไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์เรานี้นะถ้าจะดูความสุขสนุกสนานเราก็สู่สวรรค์ไม่ได้ แต่ในปุตตะเมื่อกี้นี้เขาดีกว่าเราถ้าเขาดีกว่าเราทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละจะว่าอาหารก็อาหารทิพใช่ไหมตานช่องก็วิมานมันไม่ห้องน้ําล้วไม่มีห้องสุขามันมนุษย์เราเขาไม่มีห้องสุขาเสื้อผ้าก็ไม่ดังซักไม่ดังริดเหมือนพวกเรายารักษาโรคก็ไม่จําเป็นโรงบ้านก็ไม่จําเป็น นะปะกันภัยปะกันสุขภาพก็ไม่จาเป็นประกันลถประการันบานช่องไม่จําเป็นอะไรทั้งสิ้นแต่คาว่าไปเกิดเป็นมนุษย์นะให้เพื่อน่อยอย่าเหมือนเราแนละ้ถ้าเรารัะคนใดคนหนึ่งก็พยายามนะถ้าเรียนเก่งๆนะถ้าเรียนเก่งๆทํามีเงินให้ไปยุอเมริกาเถอะให้ไปยุลอนดอนเถอะเราคิดว่าที่ไหนดีเราก็แนะนำเขาให้เข้าไปก็เทวดานงางฟ้าทั้งหลายก็เช่นเดียวกันนะี เขากคิดว่ามนุษย์เราเนี่ยดีนำ ม, มนุษย์เราดีถึงแม้ว่าเราจะมีความทุกข์มากกว่าเขาเรามีโอกาสนําบําเพนบารมีมากกว่าเทวาดา น, นางฟ้ามากกว่าที่ผู้อยู่สวรรค์เขาก็แนะนําให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ผู้เป็นมนุษย์นี่คิดอยูกับล้วกันถ้าพยายามทาบุญทำนารักษาสิ่งรมปฏิบัติธรรม ก็สามารถบรรลุธรรมได้นะสามารถบรรลุธรรมได้ก็ก็สามารถให้ใบเกิดที่สว่างต่อไปได้สามารถให้ใบเกิดที่พรลมาโลกได้สามารถบรรลุเป็นซอดาบันได้สกดากรมีบุคคลได้อนากรมีบุคคลได้สามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้สามารถจะบรรลุเป็นพระบัจจีได้สามารถบรรลุเป็นพระสามาสมาบุรุเจ้าได้ มนุษย์เรานี้นะไม่ใช่ธรรมดาธรรมดาเรื่องไม่ดีก็ก็าไปเอาวิจิรก็ได้เกิดเบ็ยดัตจะได้ใช้เบยอสูรกายก็ได้สามารถทำได้ทุกอย่างาเพื่อจะได้สร้างคุณงามความดีบําเพ็ญบารมียิ่งยิ่ขึ้นไปก็ก็แนะนําให้ไปเกิดที่ม น, นุษย์แค่ว่ามนุษย์นี้แสดงว่าเขาเห็นคุณค่าของม น, อนุษย์เขาบอกเออถ้าจะตายไปถือไปเกิดที่มนุษย์ มือมนุษย์เพราะภูมิที่ดีก็คือมนุษย์มนุษย์สภูมิเพราะอะไรการในพุทเมื่อกีน้นี้อยากจะทําบุญทําทานไว้สะดวกสบายไบวัดไบวาก็ะสะดวกสบายจะไปรักษาศีลแมะศีลเซฟก็สะดวกสบายอยากจะไปบวชเป็นพระอุปรร็ชฌาย์ะะก็สบายสวรรค์วัดก็ไม่มีอุปัชฌาก็ไม่มี ใช่ไหมแตกต่างกันมากพญายาให้ไปเกิดเป็นมนุษย์ก็คือพ่อมีโอกาสทำบุญทำทานรักษาศีลรำเจริญภาวนาได้ที่สวรรค์ไม่มีโอกาสและจะไปถึงศีลที่ไหนคิดดูกาแล้วกันเทวดาก็ท่านหนึ่งนางฟ้าพันๆ น, น, นี้ใครจะไปถึงศีลบ้างเทวดาถึงศีลก็กระศินเศร้ามองแน่นเหมือนอย่าง พระบุญเจ้าของเราตอนเป็นพระยังบำเพ็ญบารมีอยู่บางครั้งเกิดเป็นพญานาคใช่ไหมพญานาคพญานาคเขาสามารถแต่งกายของท่านเหมือนเบญเทวดานางฟ้านั่นแหละสนุกสนานเหมือนสวรรค์เหมือนกันนั่นแหละสวยความสุขที่เมืองพญานาคได้เหมือนกันแต่เมื่ออยากจะรักษาศีลทำอย่างไรดูไหม รักษาสินธรรมในเมืองพญานาคไม่ได้เพราะขาดสินมันขาดบอยนะสินมันขาดบอยก็ต้งองขึ้นมาเมืองมนุษย์เรานี่แหละมารักษาสินที่เมืองมนุษย์เรานะใครศึกษาชาดุจะได้เห็นบ่อยๆนะอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์เดือนหนึ่งสองเดือนมารักษาสินธรรมบางครั้งก็แหลงกายจะไม่เป็นมนุษย์มาถึงศินบางท่านยัง อยากจะมาบทเป็นพระใช่ไหมกับแรงกายไม่ได้บทเป็นพระพวกวที่นู้นบทเป็นพระก็ไม่ได้พอเทวดานางฟ้าก็เยอะมันก็ขาดมันก็สิ้นมันก็ขา ด, ขาดบ่อยๆนั่นแหละก็เลยไม่มีโอกาสที่สวรรค์ก็เช่นเดียวกันนะเทวดานางฟา้าทั้งหลายไม่มีโอกาสจะรักษาสี้นแปเหมือนพวกเราพวกเรารักษาสิ้นแปก็ได้รักษาสิ้นสิบก็ได้รักษาสสอยยี่สิบก็ได้มีโอกาสมากมาย เพราะฉะนั้นก็จะถือว่ามนุษย์นี้มีคุณค่ามากกว่าที่สวรรค์นะเรามีกายเราก็สามารถช่วยเหลือวัดวาอารามได้ใช้กายของเราให้มีประโยชน์ได้ที่สวรรค์นหน้าตาของเขาสวยร่างกายของเขาก็สวยมีขามีแขนอย่างดีจะทําอะไรได้สนุกสนานก็หมดเวลาเสียดายเวลาหนะน้าเสียดายคิดดูกันแล้วกันน่าเสียดายเวลามากๆเลยเลย อยู่เป็นล้านล้านปีไม่ได้ทำคุณงามความดีอะไรไม่มีโอกาสจะดักบาศไม่มีโอกาสจะถือสิดไม่มีโอกาสจะถอยผ้าบาบไม่มีโอกาสถวายพระไตรจีวรถอนกระถินสร้างวัดวาอารามไม่มีทางเลยใช่ไหมอายุเขายืนได้จิงจิงอยู่แต่ไม่มีโอกาสจะบาเพ็ญบารมีเท่าไหร่ก็หนักเสียดายเวลาที่ผ่านไปแต่มือมนุษย์เหล่านี้ ว่ายัางไรก็แล้วแต่ใช่ไหมเรามีโอกาสสร้างคุณงามความดีมากเราใช้กายของเรานี้ให้มีประโยชน์ได้ใช้ปากของเราให้มีประโยชน์ได้เราก็สวดมนต์ใช่ไหมก็มีประโยชน์ได้เจริญเมตตาภาวนาช่วยวัดวาอารามก็แสดง ว, ว่าใช้กายของเราใช้ปากของเราใช้จิตใจของเรานี่นะให้เป็นบุญเป็นกุศลได้ที่สวรรค์ไม่มีโอกาส นะสนุกสนานอย่างเดียวนะสนุกสนานอย่างเดียวไม่มีโอกาสเลยและที่อาตมาเคยพูดถึงเสมอเหมือนอย่างผู้ที่ไปเวทีเช่นนั่นแหละสนุกสนานเหมือนกับหมดเวทีเช่นก็หมดก็กลับบ้านหมดกระเป๋ากลับบ้านสวรรค์ก็เช่นเดียวกันเลยสวยความสุขที่นู้นด้วยอนุภาพฐานเสียนที่เคยสร้างไว้หมดบุญเสร็จก็ ก็ลงมาเหมือนเดิมกับบ้านเหมือนเดิมจะกกแสดงว่ามนุษย์เหล่านี้มีคุณค่ามากกว่าที่สวรรค์เพราะฉะนั้นมือท่านในท่านหนึ่งมีอาการแสดงออกมาจะตายเขาก็สั่งว่าให้ไปเกิดที่พบดีภูมิดีก็คือเมืองมนุษย์เราข้อที่2ก็สั่งต่อไปอีกว่าถ้าใบเกิดที่พบดีภูมิที่มนุษย์ไปแล้ว ให้ได้ลาบที่ดีสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐก็คือให้มีศรัทธาศรัทธาเป็นลาบที่ดีสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐให้มีศรัทธาให้มีศรัทธานะถ้าไม่เกิดเป็นมนุษย์ทําไม่มีศรัทธาเป็นไงบ้างไม่มีอุเมื่อไม่มีศรัทธาก็ไม่มีไม่ได้ทาบุญทาทาน ไม่ได้รักษาสี่ธรรมไม่ได้เจริญพุทธคุณธรรมคุณสังคุนเพราะไม่ชื่อไม่เชื่อกับกรกดแห่งกรรมศรัทธาก็คือผู้ที่มีความชื่อในบุญคุณพระรณะตรัยชื่อในกรรมกดแห่งกรรมเมื่อมีความชื่ออย่างนี้ก็จะทําไดๆทนพยายามทำเนืคุณงามความดีทุกวันนั่นแหละเพราะฉะนั้นถ้าไปเกิดดีพบดีภูมิดีคือมนุษย์ให้มีศรัทธา ให้มีศรัทธาอยู่ในจิตใจของตัวอยู่เสมอก็สั่งให้มีศรนะัทธาศรัทธานี้สําคัญในในพระธรรมคำพีจะแสดงไว้ว่าศรัทธานี้ต้เรียบเสมือนมือของเราหนักแขนของเรานี่แหละถ้าผู้ไม่มีศรัทธาก็ผู้ไม่มีมือไม่มีแขนผู้มีศรัทธาก็เหมือนอย่างผู้ที่มีมือมือ ม, ม, มีแขนอย่างสมบูรณ์ผู้ที่ไม่มือไม่มีแขน ถึงแม้ว่าจะอยู่นั่งอยู่บนภูเขาที่เต็มไปด้วยเพชรพลอยจินดาเอาอะไรได้บ้างเอาอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเพราะเราไม่มีแขนใช่ไหมไม่มีมือเอาอะไรไม่จับอะไรไม่ได้เก็บอะไรไม่ได้แต่นั่งอยู่บนกองเงินกองทองมีเพชรพลอยจินดาเต็มไปหมดเลยแต่ว่าไม่สามารถจะเอาอะไรได้ทั้งนั้น ดูกัแล้วกันแต่ผู้มีสัทธาเนี่ยหนึ่งไงบ้างก็มันอย่าผู้มีมือนะจะมมีมือก็เอาได้ทุกอย่างทําได้ทุกอย่างนะ่นึ่องจะกสัทธาของตอนทําบุญทําทานบ้างรักษาศีลธรรมบ้าง<อ>ช่วยวัดวาอารามช่วยพระบุษดศาสนาดูดก <c oughs> ายของตัวเองบ้างแนะนําผู้อื่นจะชวนผู้อื่นทําคุณงามความดีบ้าง สดมนบางจะินเมตตาภาวนาบรางนังสมาธิบ้าที่ทำในอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมีศรัทธาเพราะมีมือใช่ไหมเอาได้อะไรบ้างทีนี้ได้ทางแก้วส า, ารการนะพุทธระตะัตนังธรรมะรัสังขระตะงัตนังโดยเฉพาะธรรมะระตะัตนังเราก็ได้แก้วธรรมะนี้แหละนะเป็นมหาบุญมากุศลเสมอเพราะเรามีศรัทธานะเพราะมีศรัทธา ก็ศรัทธาเปี้ยเสมือนมือของเราหนาแขนของเราถ้าศรัทธาของเราเบี้ยวไปเป็นไงบ้างหนาศรัทธานี้ศรัทธานี้ที่ดูไปแล้วกันมือมีศรัทธาก็ทําคุณงามความดีมากใบวัดไบวาบอยเมือ่อนศรัทธาเราอ่อนลงใบเบี้ยวไปเป็นไงบ้างปูนของเราเป็นไงบ้างปูนก็เบี้ยวตามไปด้วยใช่ไหมเออที่เคยทำเออ ทุกวันก็อาทิตย์ละวันเดือนละวันปีละวันอันนี้แสดงว่าสัทธาเดียวแล้วถ้าขะสัทธาเป็นไงบ้างไม่ไปเลยไม่ทําเลยก็ไม่มีไม่มีแขนไม่มีมือแล้วหมดสิทธิ์หมดโอกาสไปใช่ไหมเพระเาะฉะนั้นในพระธรรมก็แสดงว่าสัทธาก็เหมือนมือของเราผู้ไม่มีมือไม่มีแขนมีโอกาสมาไมายไม่สามารถจะเอาอะไรได้ทั้งนั้นขาดทูนยิ่งใหญ่ จำไว้นะข้อหนึ่งขอพูดข้อสำคัญสาคัญกแล้วกันข้อที่สองท่านาเปรียบเสมืนอนทุนสับสมบัติผู้ที่มีทุนผู้ที่มีเงินผู้ที่มีเงินทองสับสมบัตินี้ <c oughs> เขาอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อได้ใช่ไหมอยากซื้ออะไรก็ซื้อได้ ตามต้องทิศเอาการแต่ผู้มีศรัทธาก็พอมีทุนเหมือนผู้มีเงินทองอยากจะได้อะไรก็ได้อยากจะทําบุญทําทานก็ได้อยากจะไปรักษาสิ่ธรรมก็ได้อยากจะไปเจริญภาวนาก็ได้ได้ทุกอย่างเหมือนอย่างทุนเหมือนอย่างเงินทองสับสมบัติ อ, อ, อีกประการหนึ่งก็คิดดูกัแล้วกันเมื่อเรามีทุนเรามีบัจจัย เราจะทําให้ธุรมาค่าขายให้รวยกว่านั้นแล้วก็สามารถทําได้สามารถทําได้เช่นว่ายกตัวอย่างง่ายๆในสมัยนี้ตอนนี้ปัจจุบันนี้สมัยก่อนนู้นบ้านหลังหนึ่งราคาสามแสนตอนนี้แสนเดียวใช่ไหมแสนเดียวผู้ที่มีทุนพอผู้ที่มีเงินทองผู้ที่มีทรัพย์สมบัติซื้อไปเลยสักสิบหลัง มที่หลังก็ขายได้อกองในเงินกำไรเป็นล้านๆก็ได้ไผู้ที่มีทุนสามารถทำให้ทรัพย์สมบัติของเรานะัเจริญยิ่งๆขึ้นได้แต่ผู้ที่ไม่มีทุนยังไงวะมีโอกาสอยู่เรามีโอกาสรู้ว่ามีโอกาสอยู่แต่ไม่มีทุนจะซื้อไม่มีทุนจะลงทุนไม่มีเงินไม่มี ซับสิ่งเงินทองที่เจ้าดองลงทุนรู้ว่าเราจะได้กําไรมากรู้แน่นอนว่าจะได้กําไรแต่เมื่อไม่มีทุนไม่มีเงินไม่มีแสดางจะไปซื้อ In นเวสจะได้อะไรครับก็ไม่ได้อะไรก็สัตหีก็เช่นเดียวกันนะสัตหีเช่นเดียวกับสัตหีนี่ก็เป็นอย่างผู้ที่มีทุนผู้ที่มีเงินรับสมบัติทําให้ชีวิตของเรานี้ เจริญยิ่งยิ่ขึ้นไปหนอะทาให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทำให้เป็นมหาบุญมหากุศลย่ิ่งยิ่งขึ้นไปทําให้ศีลสมาธิปัญญาของเราเนี่ยเจริญยิงยิ่งขึ้นไปหนอะทางทางโลกและทางธรรมเนีสามารถทําให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปได้แต่ถ้าไม่มีสัทธาก็ไม่มีโอกาสหมดสิทธิ์หมดโอกาสไม่สามารถจะทําให้ชีวิตของเรานี่เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ อีกมาตรการหนึ่งก็เปรียบเสมือนพืชนะพืชเช่นว่าที่ใดที่หนึ่งเราก็มีที่ก็มีที่ของเรา ท, ที่ที่ดีปุ๋ยก็ดีฝนก็ตกถ้าเราไม่มีอะไรจะปลุกไม่มีพืชจะแบบลุกจะได้จะได้อะไรบ้างไม่ได้อะไรนะมีโอกาสไม่ได้อะไร แต่ผู้ที่มีพืชก็คือศถานั่นแหละเรามีโอกาสบางยังเราเก็ดในพระพุทธศาสนาการที่เราทำบุญทำทานเนาะศาสนากับในศาสนาย่อมแตกต่างกันมากการที่เราได้ทำบุญในพระพุทธศาสนานี้ยอมยิ่อา น, นิสงส์ผลประโยชน์มากกว่าที่เราได้ทำบุญเนาะพระพุทธศาสนาอันนี้ก็มีหลักฐานมากมายเพราะอะไร ผู้ที่ทําบุญในพระบุดาศาสนาผู้ที่รับสิ่งของจากเราแม้เป็นคารวาสกานะดามเราเลี้ยงเพื่อนฝูง ก, กันแล้วกันไม่ดังพูดถึงนัก บ, บวชแล้วเพื่อนฝูงของเราเขาเป็นชาวพุทธก็หนับถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆเป็นที่พึ่งเป็นชาวพุทธก็แสดงว่าเขาสมบูรณ์พระละตรายสรณคมเห็นไหมเขามตาีตรายสรนคมประจําใจอยู่แล้วเมื่อเขาก็ ให้ทำบุญครับทำฐานครับผู้ทีมีตรายสระนคมก็ายอมอมีอนิสงส์ผลประโยชน์มากกว่าผู้ที่ไม่มีอะไรในเน็คพระพุทธศาสนาทดดี่แตกต่างกันก็บางท่านไม่ใช่มีเฉพาะตรายสระนคมนะเขามีสินสินธรรมที่บอกสูตรโดยแต่ถ้าเป็นเน็บัวก็ถือสินแปดถือศินสิบถือสินสองยี่สิบเจ็ดไปดูนี่แหละเนื้อนาบุญที่ดีจะเป็นเนื้อนาบุญที่ดี เมื่อเรามีศรัทธาเราทำบุญกับผู้ที่เป็นเนือ้อนามบุญที่ดีเราก็าอรยอมได้รับอะไรบ้างก็พืชที่เราปลูกใบต้นไม้ที่เราปลูกใบเขายอมออกดาะออกผลอย่างดีแน่นอนดาะผลที่นี้คืออะไรดาะผลมรยานผลยาณทางนิพพานนี่แหละดอกผ ล, ผ ล, ล, กผลที่เรามีศรัทธา ที่เราได้ทําบุญทำทานที่เรารักษาศีลธรรมที่เราได้เจริญสมถะนศาสนาภ า, าวนาโดยสัทธาของเรานี้สามารถทําให้เราได้ด็อกดีๆผลที่ดีคือมรรยาณผลญาณพระนิพพานไดา้ก็จำไว้สัทธาเนเปรียบเยบสมือนมือของเราดีสองเหมือนทุนเงินทองสับสมบัติข้อที่3เปรียบเสมือนพืช สามมการใช่ไหมสามมาตการเพราะฉะนั้นเทวดานางฟ้าทั้งหลายมือเห็นพื่นเ พ, พื่นจะจะตายแล้วก็สั่งว่าเออไว้เกิดทิพมนุษย์สมุคพบผุ่มที่ดีเรให้มีศรัทธาประจำใจให้มีศรัทธาถือให้มีศรัทธาสั่งไว้แต่ข้อที่ 3, สสั่งอะไรอีกบ้างเพราะว่ า, วาพยายามรักษาพยายามรักษาลาภที่ดีสิ่งที่ดี สิ่งที่ประเสริฐคือสถานั้นให้มั่นคงถาวรรักษาให้มั่นคงถาวรไม่เชนนั้นขาดสถานใบเดียวมันก็ขาดทุนไปอีกจะไหมพยายามรักษาสั่งไว้สมข้อหน้าสามข้อหให้ใบเกิดที่ภพดีภพดีก็คือมนุษสภุมให้ใบได้ออลาภที่ดีสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐก็คือให้มีศรัทธาข้อที่สมก็พยายามรักษา สิ่งที่ดีหลาภที่ดีสิ่งที่ประเสริฐคือสัตานี้ให้มันนนม่นคงถาวรตลอดไปสัตยาของเราเพื่อมั่นคงถาวรนี้ต้องทำย่างไรทีนี้ก็้องบปติบัติธรรมโจนกว่าเราบรรลุธรรมถ้าบรรลุเป็นอริยบุคคลใบมีดวงตาเห็นธรรม ผู้นั้นแหละจะมีศรัทธาที่มั่นคงถาวรตราบใดยังไม่ได้บรรลุธรรมศรัทธานี่ยังไม่มั่นคงแล้วเห็นไหมเนี่ยเทวดาก็สั่งอย่างดีนะพยายามรักษาให้มั่นคงทาวรก็ว่าพยายามไปปฏิบัติธรมรมเพราะสวรรค์เรายุสวรรค์มาหลายล้านปีแนละ้วนี่ยไม่มีโอกาสจะ <c oughs> ปฏิบัติธรรมจะบรรลุธรรมได้เมื่อมนุษย์นี่ยังวจะไอย่างไรก็ดา ม, มีโอกาสจะบรรลุธรรมได้ ภาชนะให้ใบทปฏิบัติทำให้มีศรัทธาที่มั่นคงถาวรสั่งอย่างดีเลยนะแต่ผู้ที่มีศรัทธาทีนี้มั่นคงถาวรนอย่างไรทีนี้ข อ, อยยกตัวอย่างนิดหน่อยผู้ที่บรรลุเป็นอริยบุคคลไปจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เขาจะไม่ยอมให้สินห้าของเขานี้บุกเพราะยอมเสียไหวอว่าร่างกายเนาะ ย, ยอมเสียสรัพสมบัติ ยอมเสียชีวิตแม้แต่ชีวิตของตนยอมเสียสละทุกอย่างนะจะไม่ยอมให้สินทําของตนนี้ขาดเช่นว่ามีโรคภัยแค่จิตอย่างใดอย่างหนึ่งไปอาจจะมีพี่บินโมโบราณโบราณ น, นะนั้นว่นี้ลองข้าบลานะถ้าข้าบลาเดิบๆสักตหนึ่งเออ หากเป็นอาหารโรคภัยเขาจ ะ, จะหายทันทีเลยจะเป็นอายุวัฒนะอายุจะยืนยาวถึงลอยปีถ้าไม่เช่นนั้นก็จะตายภายในเจ็ดวันนี้สำหรับผู้บปนอริยบุคคลใบพ่อมีคามีศรัทธาชื่อในกรรมกดแห่งกรรมร0 0เเแล้วชื่อในบุญคุณพระพระุทธธรรมพระสงฆ์รอซเขาจะยอมชีวิตเขา เสียชีวิตใบเขาจะยอมตายเขาจะมายอมฆ่าปลาถามหมอว่าข า, าต้องดืมวายหรือปียาหรือวิสกี้หรือน่นนอยเดืเหล้าเถินเสะช้อนหนึ่งแก้วหนึ่งถ้าดืมด่มเสร็จก็โรคภัยาจะหายเลยเขาจะทำไหมเขาไม่ทาแล้วนยยอมตายนก็ะจะไม่ดื่มเหล้าเปนอันขาด ถ้ามีคในใดคนหนึ่งว่าเออดอกเคลืนสารน่ยเคลืนสารหรือตอนนี้เราต้องมีต้องการพยานถ้ามีพยานสักคนหนึ่งโกหกให้เราว่าเอาโกหกเขาได้นี้เขาจะสามารถจะได้เป็นลอยล้านดอกเขาจะให้คุณห้สิบล้านขึงนดอกขึ้นให้เป็นพยานเป็โกงไว้หน่อยที่ศาลอันนี้เป็นสุดท้ายแล้วมันสุดท้ายครั้งสุดท้ายยันตัดส็นแล้ว ถึงมันจะมีโอกาสได้เงินเป็น5ล้านเหรียญเขาจะไม่เอาละเขาไม่เอาละเขาจะไม่ยอมโกโหกแลนะผู้ที่มีศีลผู้ที่บรรลุธรรมเป็นศรัทธาของเขามั่นคงถาวร น, นะเขาจะไม่ขาดสัตต์ชีวิตเขาจะไม่หลักศัพท์โกงทรัพย์ของผู้อื่นเขาจะไม่ประพฤติผิดนายการรมเขาจะไม่โกโหกเขาจะไม่เดื่มสุราเมรัยไม่อันขาดนี่แหะศรัทธาผู้มีศรัทธาที่มั่นคงถาวร สามข้อนะเทวดา น, นางฟ้าสัง่งผู้ที่ตายไปให้ไปเกิดเปนมนุษย์ให้มีสัทธาให้มีสัทธาที่มันรักษาสาัทธา ม, มันคงต่อไปไอ้ทีนี้พวกเราทำอะไรเป็นยังไงบ้างอยากจะขึ้นสวรรค์เมเทวดา น, นางฟ้าให้เพื่นๆชักวนพือนๆไปเกิดเปนมนุษย์เราอยากจะไปเกิดที่ไหนทีนี้ก็ ถ้าตามพระธรรมคำปีที่พระบุรุองค์เน้นําสั่งสอนไว้ถ้าไม่เกิดจะดีที่สุดถ้าไม่ต้องเกิดจะดีที่สุดจะไม่ต้องเกิดทีนี้อยู่เฉยๆจะว่าไม่ต้องเกิดทา ง, งในพุทบันฑมื่อกีนี้ตราบใดยังไม่ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ยังจะต้องเวินวายตายเกิดอยู่แน่นอนใช่ไหม ประชาชนของเรามีเป้าหมายว่าเรายังไม่อยากเกิดต่อไปถ้าไม่อยากเกิดต่อไปจะต้องทาอะไรทีนี้ต้องพยายามทําคุณงามความดีเนาะด้วยกายด้วยวาจาด้วยจิตใจแต่เนี้นเรามีศรัทธาอยู่แล้วใช่ไหมมีศรัทธาสักอย่างหนึง่งไม่ดังหวงแล้วเนาะไม่มีปัจจัยสักสตางค์หนึ่งแล้วก็เป็นใช้กายของเราเป็นมหาบุญมากุศลได้เนาะช่วยพืนฝูง ช่วยญาติพี่น้องของเราช่วยสังคมนะโดยนำใจของเราแล้วช่วยประเทศชาติช่วยศ า, าสนาช่วยวัดวาอารามโดยกายไม่ต้องลงทุนสักบาทหนึ่งอันนี้ก็เป็นมหาบุญมหาภูสุนียิ่งใหญ่นะก็ช่วยโดยกายบ้างแล้วก็ทำบุญทาทานตามกำลังของเรานะที่เราจะเอาไปได้ที่จะไปเกับเราได้ก็บุญ บุตรกุศลที่เราทําบุญทําทานนั่นแหเป็นของเราที่แท้จริงอย่างอื่นไม่ใช่ของเราแล้วมีเรียนแอร์ทางหลายนี่มีเงินเป็นพันล้านหมื่นล้านบุปผับตายใบเปงนไงบ้างตายตันนานไม่ใช่ของเขาไม่ได้แบกับเขากองคนอื่นเขาใช่ไหมนั่นแหลกะการแสดงมันไม่ใช่ของเราเนาะพยายามรักษาเสียนำ้ำเสียนรมก็เสีย น, น่หน้าแหละพยายามรักษาเสียน่า เราชื่นในกรรมกุศแห่งกรรมอดีตไม่ต้งคิดถึงผ่านมาแล้วปัจจุบนนันพยายามรักษาสินห้าให้บริสุทธิ์หมดจดอันนีม้มนุษย์สวรรค์ถึงแน่นอนนะจาขอก็ดำไม้ขอก็ดำปรารถนาไม่ปรารถนาก็ดำถึงแน่นอนต้องมีสินดำแต่ถ้ามีโอกาสเ <c oughs> พื่อเราไปเกิดเป็นมนุษย์อยู่แล้วถ้ามีโอกาสก็ไม่ใช่เฉพาะพอใจเพียงแต่สินห้ายางดีพยายามรักษาสินแปดบ สิ้นสบ้างสิ้นยี่สบบ้างแล้วแต่โอกาสเราจะมี น, นีพยายามยกระดับสินทารครองเร้ห้สูงยี้ขึ้นไปเท่าที่เราสามารถทำได้ก็ทุกวันก็จเจริญภาวนาสวดมน์นะสวดมน์ไหวพระธรรมวัตรเช้าวัดเยนเ็นเจริญพุทธคุณธรรมกุณสังคุณทำอยู่ลื่อๆทำหลายหนหลายเที่ยว ก็ได้บุญ ล, ลาองค์ในเที่ยวนี่นแหละสะสมบุญกุศลบรรทุกวนันทุกวนันทุกอวนไปก็มีโอกาสเวลาก็หาโอกาสเวลาหนังสมาธินะหนังสมาธิมองรูรูปน้ําของเราที่เป็นอนิจจทุกขังอนัตตานี่เราสามารถทําได้ถ้าทําอย่างนี้ใบก็ ơ, เราก็สามารถจะบรรลุทําได้นะถ้าบรรลุทำชั้นที่หนึ่งใบเจ็ดชาต หลังจากนั้นก็ไปสู่พระานิชฌานได้เป็นพระอาหารหันได้ไม่ต้องเกิดต่อใบนาทามันุนทำใบไม่ต้องเกิดอีกต่อไปเจ็ดชาติก็สบายแล้วนาทวนเอาเจ็ดชาติหลังจากนั้นก็บรรุเป็นพระอาหารหันได้ถ้าเราปฏิบัติทำใบไม่ต้องว่าฉันพระอาหารหันชันซอดาบานก็ยังไม่ถึงจะไปยางไรก็ถึงไม่ถึงก็ไม่ต้องห่วงมัน เราพยายามที่สุดเท่าที่ทําได้ทําบุญทําทานตามกาลังของเรารักษาศีลธรรมเท่าที่เราสามารถจะทําได้เนาะสายกายของเราวาจาของเราให้มีประโยชน์ถ้าบปนมหาบุญม า, มานนกุศลก็เจริญภาวานาไปเรื่อย ๆ, ๆ, ๆไปถ้าภาวานาเรื่อย ๆ, ๆไปแล้วตายไปไม่ได้บรรลุทำอะไรเลยจะไปเกิดที่ไหนเมื่อเรามีฐานเรามีศีลธรรมเรามีการภาวานาไปด้วย ถึงสวรรค์ได้แ น, น่นอนเลยถึงสวรรค์ได้เมื่อถึงสวรรค์ใบมันจะได้ต่างกันกับผู้อื่นผู้ที่มีทานมีศีลธรรมตายไปเกิดเป็นเทวดา น, นางฟ้าเรามีทานทั้งฐานทั้งศีลทั้งภาวนาไปด้วยเกิดเป็นเทวดา น, นางฟ้าได้ต่างกันอย่างไรผู้ที่มีการภาวนาติดตูใบดูดมีนิสัยดับเจริญภาวนาติเตูใบด้วยใบที่ไหน เมื่อถึงสวรรค์ไปเขาไม่ได้ไปสนุกสนานเนี่นามนอลอย่างปางท่านนี่อยู่ต่างประเทศอยู่ต่างรัฐมาถึงลาสเวกัสมาถึงลาสเวกัสใช่ไหมเขาไม่ได้คิดถึงจะไปดูชูที่ไหนจะไปเล่นที่ไหนเขาคิดว่าที่นี่มีวัดไหมวัดอยู่ที่ไหน อยากจะไปนัางสมาธิอยากจะไปสวดมนต์เขาจะหาวัดก่อนจะมีสักกี่คนอย่างนี้น้อยมากน้อยคนใช่ไหมก็เช่นเดียวกันน่ะผู้ที่จะเป็นภาวนาขึ้นสวรรค์ไปก็จะไปไปสนุกสนานเหมือนคนอื่นเขาเนาะเขาจะไปหาที่สถานที่จะฝังเทศฝังํำถ้าถึงที่นูน้นไป ในพุกธมนคี น, น, นี้ทุกๆวันพระจะมีการแสดงธรรมบางครั้งก็มีพระเอ็นพระเองก็เป็นผู้บรรลุธรรมไปแล้วนะเป็นแสดงธรรมบางบางครั้งก็ก็เป็นนักเทศตอนอยู่เมืองมนุษย์นเนี่ยอาจจะเป็นคาระวะอาจจะเป็นพระสงฆ์เมื่อตายใบสวรรค์ตายไปก็มรณะใบได้เกิดเป็นเทวดาเขาก็เป็นติดนิสัยใบยักเป็นนักเทศก็มีสมัยพุทธกาล เทวดาพระพรหมที่บรรลุธรรมไปมีมากมาย ก, ก, ก็เขาก็มาแสดงธรรมพระพรหมมาแสดงพระเทวดาอื่นก็มาแสดงพระที่นู้นก็มีผู้ที่เป็นบรรลุเป็นอริ ย, ยบุคคลก็มีเมื่อเราเห็นแล้วก็ว่าเออให้คุณนึกถึงตอนที่คุณอยู่เบอืองมนุษย์คุณเคยเจริญภาวนาตอนนี้คุณก็เป็นเทวดาและนางฟ้าไปแล้วขอยปฏิบัติตอ่ตอตื่นสติเราแล้วก็นึกได้ ภาวานาต่อเมื่อภาวานาต่อยิ่งไปฟังเทศฟังธรรมต่อก็หลังจากฟังเทศฟังธรรมพภาวานาไปสามารถบรลุธรรมที่นู่นได้ก็แสดงว่าผู้ที่สมบูรณ์ด้วยฐานศีลและภาวานาขึ้นสวรรค์ไปความแตกต่างก็เทวดา น, นางฟ้าอื่นก็อย่างนี้แหละเขาจะไปฟังเทศฟังธรรมภาวานาต่อภาวานาต่อร่างกายของเทวดา น, นางฟ้าไม่เหมือนร่างกายของมนุษย์เรา นะร่างกายของม น, นุษย์เหล่านี้มันโสโรครกนะก็เมื่อโกกบโรกใบก็บัญญาของเราก็ไม่เคยเฉลี่ยเท่าไหร่ถ้าเทวดานางฟ้านี่รูปนามของเขารูปของกายของเขานี้เกิดมาโดยกรรมเกิดมาทันทีสะอาดมือสะอาดก็สติบัญญาของเขานี่ยย่อมดีกว่าเราเมอฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมไปก็สามารถบรรลุธรรมที่นั้นได้ แน่ใจหรือว่าผู้ตนอยู่เมืองมนุษย์เราผู้ที่เคยทำบุญทำทารรักษาสินธรรมชอบหนังสมาธิเจริญภาวนาพอไม่อยากจะเกิดอีกต่อใปอยากจะบรรลุธรรมถ้าตายใบโดยไม่ได้บรรลุอะไรอิกฉาเนื่องเกิดเป็นเทวดานางฟ้ายอมบรรลุธรรมที่นั้นได้แน่นอนนี่พระเจ้าก็แสดงไว้เมื่อบรรลุธรรมที่น้นใบก็หมยต่างมาเกิดมเป็นมนุษย์ดาวใบแล้ว มนุษย์อบไปคิดดูกันแล้วกันสมัยนี้ดูดูกันแล้วกันนะเด็กสมัยนี้ไม่เหมือนสมัยเก่าๆแล้วใช่ไหมความโลความกรดความหลงก็มีมากมายสถานการณ์ก็ไม่เหมือนเดิมแล้วถ้าเราเกิดเป็นลุกของเขาลานของเขาแค่ดูใช่ไหมเด็กสมัยนี้ก็ไม่รู้พระพุทธธรรมพระสูตก็ไม่รู้เรื่องกรรมคุณแห่งกรรมกรรมไม่จะชื่อถ้าเราเกิดเป็นลุกของเขาเราจะจะดูได้ที่ไหนลําบากนะ แต่ท้าเบนเกิดเป็นเทวราไปปั่นลูกที่นั้นไปไม่